อนาปติวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบับคือ432 1. ภิกษุรู้อยู่ว่าสมนุนเทศไม่ถูกสงนาสนะ 2. ภิกษุรู้อยู่ว่าสมุเทศสละทิฏฐินั้นแล้ว 3. ภิกษุวิกชจริต 4. ภิกษุต้นบัญญัติกันตาสีขาบทที่10จบสัปปาน ะ, ะวาทที่7จบ